ที่จะให้พอและส ว, วดน้ำก็กราบสำเนาที่กรถาสักหน่อยนะวันนี้นะพวกเราก็มาร่วมกันนะทำบุญงานวันนี้นี่เป็นทั้งงานบุญแล้วก็งานรวมญาติรวมมิตรนะเพราะว่ า, าเรียกว่าผู้จับผูโต้โผเนี่ยนะก็เป็นญาติ แล้วก็วิศวเก่ากนะหลายคนก็รู้จักกันมานานกว่า50สิปีนะบางคนก็เรียนชั้นเดียวกันบางคนก็เรียนคนละห้องนะแต่ก็ชั้นเดียวกันบางคนก็เรียนคนละชั้นนะแต่ก็รู้จักกันมานานนะก็เรียกว่ามีประวัติร่วมกันมานานแล้วก็ท้องประวัติที่มีความสุขแล้ว แล้วก็ลดโผล่นะคือเพราะเวลาต้องเจอับบครูที่ดุๆนะแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษนะก็มีครูบาอาจารย์ต่เก่าด้วยมาสุพบนะามาสุธบนี่สาหรับอาตมาแล้วนี่ก็มีความาสัมพันธ์ที่พิเศษนะเพราะว่าบางทีมาเสิร์จะไม่รู้นะเพราะว่าคือตัวเองเนี่ยนะชอบวิชาวิทยาศาสตร์นี่ก็พรามาสุพบเรียมาสถบตอนป .7 ก่อนนี่เป็นเด็กเรียนดีนะแต่ว่าไม่เคยรักวิชาไหนเลยนะภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์ไม่เคยรักเรียนตามหน้าที่พอมาเรียนวิทยาศาโสตร์มาโซท พ, พรตอนป .7 น, นี่แทําให้เกิดความรักในวิทยาศาสตร์เพราะว่ามาโซทพบเนี่ยสอนได้เหมือนใครนะสอนแล้วทําให้เราเกิดความใฝ่รู้อยากรู้แล้วก็รักวิทยาศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งเคยคิดว่า จบมาสองห้าแล้วก็จะไปเข้าวิศวะไปเรียนวิศวะแล้วก็น่นต่อไปเอ็มเลย <c oughs> ไปนูน่น <c oughs> แต่พอถึง4ีห้าจริงๆนะก็เปลี่ยนใจนะสุดท้ายก็ไปเรียนธรรมศาสตร์แล้วก็จับพระจับผมมาบวชนะก็เลยเอ็มไอทก็เลยไม่ได้ไป <c oughs> แต่ทุกวันนี้ยังรักวิทยาศาสตร์อยู่นะยังเป็นวิชาที่รักอยู่นะแล้วก็ชอบศึกษานะเรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์นะ อันนี้ก็เพราะว่าภูมิหลังจากการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์กับมาสต็อกยังไม่ต้องพูดถึงว่าตอนนี้ท่านเป็นบรรณารักษ์เนี่ยโอนเป็นบรรนักเป็นบรรนักทให้ห้องสมุดอสมชัญนี่เป็นห้องสมุดในฝันนะรว่าแต่ก่อนห้องสมุดอสมชัญนี่ไม่ค่อยมีอะไรนะแล้วก็เกคยได้เรียนรู้หลายๆอย่างชิดเปลี่ยนที่ห้องสมุดอสมชันนะซึ่งบางส่วนก็เคยได้เขียนไปเขียนเป็นบทความไปแล้วว่าชุดเปลี่ยนยังไงบ้างจากหนังสือที่ได้อ่านจากห้องสมุดอสมชัน แล้วก็จำได้ตอนที่ทําอัศสมชาตสามพัฒนาก็ากับพิชัยนี่ก็เราก็เอาความรู้จักห้องสมุดอัศสมาตนี่แหละเอามาถกเถียงกันนะในสมัยตอนที่เราอยูมม่มศ .3 มศ .4 อันนี้ก็เราเป็นปลอดสารร่วมกันที่มีที่ที่เป็นเอามากล่าวเพียงเล็กน้อยแต่ที่จริงมันมีมากกว่านั้นนะนะซึ่งช่วยรับผูกสัมพันธ์ให้พวกเรามีความ รู้สึกที่นั่นแฟนแม้ว่าจะหดห่างจากกันในช่วงนึงเพราะว่าต่างคนต่างก็แยกย้ายเข้าเหมาเท่ไหลไปคนละคณะแล้วก็ไปมีอาชีพที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเราก็มาร่วมกันนะมาร่วมกันทำในกิจที่เป็นประโยชน์ที่สนุกสนานนี่ฮก็มีนะแต่นักรมไม่เคยจะเป็นร่วมเท่าไหร่นะใข่าวว่า จะไปต่อใช่ไหมเบืองล้าวใช่ไหม <c oughs> ในส่วนบรรดาญาติเก่ากลามกันนะก็มีโอกาสได้ถ้ า, ถาให้งานนี้ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ได้พบญาติเก่าก่าแม้กระทั่งพี่น้องนะแล้วก็ลุงทั้งหลานรุ่นรุ่นหลังๆนั้นก็ถึงเรว่างงานนี้เป็นงานบุญแล้วก็เป็นทั้งงานรวมญาติรวมมิตรนะซึ่งก็ทำให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันก็คือไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราอย่างเดียวนะเกิดประโยชน์กับวัดเกิดประโยชน์กับชาวบ้านด้วยเพราะว่าปัจจัยที่ถวายก็เอามาใช้ในการอุปถัมภ์วัดแล้วที่สำัญก็คือไปช่วยในการอนุรักษ์ป่านะซึ่งก็ยังเ ป, เป็นเป็นงานที่จะเริ่กเป็นงานหลักงานของป่ามหาวันก็ได้พูดถึงเรื่องการสนับสนุนนะ การอนุนรักษ์ป่านี่นะพวกอสมชัญเนี่ยพวกเพื่อนเก่าๆก็ทากรมนานแล้วตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นใหญ่เป็นโตนะก็คือเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะกุศ1เนี่ยนะแต่ก่อนอนุรป่าอสมชัญนะกุศ1เนี่ยที่ตอนนี้เป็นป่าไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนอนุรักป่าอสมชัญเพราะว่าพวกเราเนี่ยพวกอสมชัญมาปลูกมาช่วยกันปลูกตอนปีานะซึ่งตอนนั้นมาเป็นเป็น เป็นพื้นที่ป่าที่ถูกไฟเผารกรางนะปีแล้วปีเล่าแต่หลังจากที่พวกเรามาช่วยกันปลูกนะตอนนี้มันก็กลายเป็นป่าที่ฟื้นคนืนขึ้นมาชักอีกครั้งหนึ่งแล้วทุกวันนี้พวกเราเวลาไปจัดอบรมนะกรรมฐานแบบเข้มข้นก็ไปใช้ที่นั่นเลือกกลุ่1สปีละสองครั้งนี่ก็เพิ่งเสร็จมาอบรมกรรมฐานเพิ่งเสร็จมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะว่าเฉพาะเรื่องการ มาร่วมกันทอดผ้าป่านะที่ญาติเก่าๆเพื่อนเก่าๆได้มาร่วมกันทำเนี่ยก็ตอนนึงก็มาหลายปีนะคิดว่าสิบกว่าปีละนะตั้งแต่ปีโน่นสีห้าสี่หกได้มั้งนะหรืออาจจะถอยหลังไกลกว่านั้นนีกนะแต่ก่อนเนี่ยก็มาทอดผ้าป่ากันเดือนพฤศจิกนะบางช่วงก็ทอดในระหว่างที่มีเดินธรรมยารา แต่ตอนหลังก็เลื่อนไปนะเพราะว่ามาทอดพระปราดูพุทธสจีเนี่ยก็มักจะเจอฝนไม่ได้เจอฝนทุกปีแต่ว่าเจอฝนบ่อยครั้งก็เลยหลีกมาม ก, กราแต่สุดท้ายก็เจอฝนนั่นแหละนะก็ไอการที่ฝนตกเนี่ยนะในวันนี้หรือในหน้านี้เนี่ยมันมันเป็นเรื่องผิดปกตินะมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนะเมื่อวานนี้ก็ยังร้อนอยู่เลยนะ เมื่อวานนี้อากาศเนี่ยที่ภูเขียวประมาณ30 อ, องศาแต่ตอนนี้มันลดต่าํามาเหลือ10กลายเรียกว่าต่ําลดลงไปเกือบ20องศาไอ้นาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าการชื้นความชื้นความฉื้นเนี่ยฝนตกเรียกว่างแต่เมื่อคืนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันมันผิดปกตินะมันไม่ควรจะเกิดนะแต่ว่าถ้ามองในแงพุทธศาสนาแล้วเนี่ย ทุกอย่างแล้วทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นนะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะเพราะว่าถ้าผู้ตามธรรมชาติแล้วมันก็ถูกของมันนะเมื่อเหตุปัจจัยถึงพร้อมนะฝนมันก็ตกนะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนนะแล้วก็เวลาเราเดินทางก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าฝนฟ้าอาจจะเป็นไปไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ที่จริงเนี่ยฟ้าก็ไม่ก็ไม่ได้สอนเราแค่นั้นนะเขายังบอกหรือเตือนใจเราด้วยว่ามันไม่ใช่แค่ดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ไม่อาจจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเสมอไปถ้าเราตระหนักถึงความจริงตรงนี้เนี่ยนะ ก็ถือว่าเราเข้าใจหรือเข้าใกล้หัวใจพุทธศาสนาแนละ้วเข้าใกล้ธรร ม, มนะแล้วถ้าเราตะหนักว่าอะไรอก็ไม่แน่นอนเนี่ยอันนี้คือคือหัวใจของธรรมะเลยนะมีเรื่องแล้วว่าสมัยที่หลวงพ่อชาสุพัทโทนะก็เรารู้จักนะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสุเมโตแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของผ้าหลายลูกที่เป็นที่เคารพสักการะในปัจจุบันนะ ประมาณสัก 45, 40่สิบปีกว่าปีมั้งท่านเดินเข้าไปในเมืองแล้วก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งว่เราจะเคยได้ยินนะเพลงมันบอลหน้าดอกนายจำได้ไหมตอนเด็กเด็กอ่ะมันบอดแน้าดอกนายท่านฟังดูท่านก็บอกเอ๊ะนี่มันคําสอนของผู้เจ้านี่ยนะมันไม่แน่หรอกนะไอ้คาว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่เนี่ยเนี่ยคือคําสอนของผู้เจ้าเลยนะงั้นถ้าเราตระหนัก ถึงความจริงตรงนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเราเนี่ยเข้าใกล้ธรรมะแล้วหรือว่าเราจับหวัวใจของธรรมะในพุทธศาสนาได้แล้วเมื่อเราตระหนักว่าอะไรอก็ไม่แน่เนี่ยมันก็หมายความว่า ม, มันจะดีขึ้นกว่า น, นี้ก็ได้หรือมันจะเร็วลงกว่า น, นี้ก็ได้มันจะแย่กว่า น, นี้หรือแย่ที่สุดก็ได้นะงั้นถ้าเราตระหนักตรงนี้เนี่ยนะก็ถือว่านั่นนี่แหละคือหวัวใจนะของธรรมะในพุทธศาสนา เคยมีคนถามหมอมราชวงศ์คือปราโม่เป็นเป็นนักข่าวฝรั่งก็ถามอะไรเรื่องนมีประโยชน์นก็ถามว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรอะไรคือหัวใจของคำสอนในพุทธศาสนาหมอมราชวงศ์คืก็ตอบสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือว่า hope for the best prepare for the worst หมายความว่าคำสอนหรือเราทำพุทธศาสนาคือทำให้เรามีความหวัง ว่าสิ่งที่ดีสุดสามารถเกิดขึ้นกับเราได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมใจไว้กับสิ่งที่มันแย่ที่สุดสิ่งที่มันเวลวร้ายที่สุดความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายรวมทั้งความไม่แน่นอนในชีวิตเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นำสิ่งดีที่สุดมาให้กับเราก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้เราต้องเจอกับสิ่งที่แย่ที่สุดก็ได้พุทธศาสนานี้ก็ให้ความหวังคนนะให้ความหวังว่า คนเราเนี่ยนะสามารถจะพ้นทุก์ได้นิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่ยากแสนเข็นเนี่ยแต่ว่าเราก็มีความสามารถที่จะเข้าถึงได้เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะมีความสามารถมีทรัพย์ที่สาคัญที่พระองค์เรียกว่าอริยะโลกุตตรธรรมอริยะก็ประเสริฐโลกุตตรธรรมก็คือธรรมที่ทำให้เรา อยู่เหนือโลกอยู่เหนือทุกได้นะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในในใจเราไปถึงความสามารถก็บางทีท่านก็ใช้คาว่าโพธิจิตนะโพธิจิตคือจิตที่ทำให้เกิดการตัดสู้ทุกคนเนี่ยสามารถที่ตัดสู้เห็นธรรมจนพ้นทุกได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ได้ได้ทรงทำให้เป็นแบบอย่างนะมันหมนว่าในใจเราเนี่ยมันมีมีเมล็ดเมล็ดเล็ก ที่ถ้าหากว่าจะรับการดูแลก็จะเติบโตไปเป็นต้นกล้าแล้วกลายเป็นไม้ใหญ่เป็นไม้ใหญ่เ ป, หญเป็นต้นโพหรือต้นไซที่นะแผ่กิ่งก้านได้อย่างกว้างขวางมากเวลาเราเจอต้นไซใหญ่เนี่ยเราคงจะไม่ถึงนะว่ามันมาจากเมล็ดเล็กเล็กแค่ น, นี้มันกลายเป็นต้นใหญ่มาอยู่มานะเป็นที่พึ่งพาสายขอ สัตว์นานาชนิดนกนานาพันธุ์ได้พระพุทธเจ้านี่เปลี่ยนเหมือนกับต้นไม้ใหญ่นะไม้ใหญ่เต็มที่เลยไอ <c oughs> ้พวกเราเนี่ย่า จ, จะเหมือนกับต้นกล้าเล็กๆหรือบางคนอาจจะเป็นแค่ยังอยู่ในสถานะเหมือนกับเป็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆแต่มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เนี่ยทุกเม็ดเนี่ยสามารถจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่ได้เป็นไม้ใหญ่เป็นต้นไทรนะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทํามาแล้วอันนี้พุทธศาสนาให้ความหวังกับเรา รวมทั้งให้ความหวังในยามที่เรามีความทุกข์ด้วยนะในยามคนที่มีความทุกข์เนี่ยนะเวลาเจ็บป่วยเวลางานการล้มเหลวเป็นนี่เป็นศินเนี่ยหลายคนก็มาวัดนะพะมาวัดแล้วเนี่ยจะเกิดความหวังนะหน้าที่ของวัดหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของศาสนาอย่างนี้คือให้ความหวังแก่คนนะจะเรียกเป็นการปลอบประโลมใจก็ได้ว่า จะสามารถที่จะพ้นจากความทุกนั้นได้ที่ยากจนก็จะประสบความมั่งมีสีสุขที่เจ็บป่วยก็สามารถจะหายป่วยหายไขย้ที่เป็นหนี้เป็นสินก็สามารถจะพ้นจากหนี้สินที่ล้มเหลวก็สามารถจะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือเหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้คนมาวัดมาวัดเพราะว่าจะเกิดความหวังกับชีวิต แล้ว พ, พักพ่อก็ทำหน้าที่นี้แหละนะให้ความหวังนะสุดท้ายแต่ว่าจะให้อย่างไรบางท่านก็ให้น้ำมนบางท่านก็ให้วัตถุมงคลนะบางท่านก็ให้พระเครื่องแต่บางท่านก็ให้กําลังใจนะว่ามันไม่มีอะไรที่แน่นอนความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยไม่เคยยั่งยืนถาวร น, นะความทุกข์ทุกอย่างก็เหมือนกับสายลมที่มาแล้วก็ไปเหมือนกับสายน้ําที่ไม่เคยอยู่นิ่งนะ น, นั่ก็เป็นธรรมบานนะที่ถ้าหากว่าเราเราเราื่องนึกถึงเนี่ยก็ทําให้เรามีความมัมีกําลังใจในการที่จะเอาชนะอุปสรรคหรือผ่านพ้นความทุกข์ไปได้คนที่บางคนที่คิดอยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยนะทุกส่วนชีวิมันไม่ไหวแล้วมันหมดหม ด, หมดทางแล้วเนี่ยแต่พอได้ฟังธรรมะนะหรือว่าได้น้ำมนได้วัตถุมงคลก็เกิดกําลังใจที่จะมีชีวิต อ, อยู่ต่อไปและสุดท้ายเนี่ย ก็ทำให้าสามารถจะผ่านพ้นเมฆหมอกแห่งความทุกข์ไปได้อย่างแล้วก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามนะหรือไม่ควรจะละเลยนะจากการาจากการเรียนรู้ศาสนาหรือการมาวัดก็คือขณะที่เรามีความหวังว่าเราจะได้พบสิ่งที่ดีที่สุดหรือว่าสามารถจะพ้นทุกข์ได้ แต่เราก็ต้องตระหนักว่าในยามที่เรามีความสุขเนี่ยนะมันก็อาจจะเปลี่ยนหรือพิกผันเกิดสิ่งเกิดความผันแปรนะที่เคยขึ้นก็อาจจะลงนะที่เคยเจริญก็อาจจะเสื่อมที่เคยสุขก็อาจจะทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นธรรมดาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ความจริงอย่างนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมใจด้วยฉะนั้นที่หมอราชชคริปบอกว่าเนี่ยนอกจากโคฟอร์เดิร์บสแล้วเนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามก็คือว่า r e p พ r e for the worst ก็คือว่าให้เตรียมพร้อมรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะเพราะว่าอะไรๆรก็ไม่แน่นอนวันนี้เรามีสุขภาพดีวันหน้าเราจะเจ็บป่วยนะวันนี้เราเดินเหินไปไหนมาไหนได้วันหน้าเราอาจจะเกิดเป็นอมัอมาพาตก็ได้วันนี้เรา อามั่งมีนะแต่วันหน้าเร า, า จ, จะเป็นอาจจะมีหนี้สินก็ได้นะวันนี้เรามีคนรักอยู่รอบข้างทั้งสามีภรรยาลูกพ่อแม่วันหน้าคนใดคนหนึ่งก็อาจจะจากไปจากชีวิตของเราก็ได้นะอันนี้คือความจริงที่เราจะต้องตระหนักนะและเราไม่ควรจะปฏิเสธนะ าจะรอปรารถนาให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรามาวัดอธิษฐานขอให้ประสบความสุขความเจริญนะขอให้หายป่วยหายไขย้นะขอให้มั่งมีสิริสุขอันเนีย้ยไม่ไม่เสียหายแต่ก็ต้องเปิดใจยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเกิดความพลาดพลาดสูญเสียเกิด ข, ขึ้นกับเราก็ได้อาจจะเกิดความเจ็บป่วยกับเราวันใดวันหนึ่งก็ได้พุทธศาสนาก็พูดตรงนี้อยู่เสมอนะพูดเรื่องอ่า ความแก่ก็เป็นทุกข์ผู้ว่าความเจ็บก็เป็นทุกข์นะคนเราแล้วเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายต้องประสบกับความพัดพลาดสูญเสียมันมีบทนะพิจารณาบทหนึ่งนะทีะ่เราท่องอยู่เป็นประจำนะเวลาทำวัดก็คือว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้พ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ เรามีความตายเป็นธรรมดาจะลบเพิ่มความตายไปไม่ได้เราจะต้องทัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าพูดภาษาฝรั่งตามสมนวนของมอมรวงชมเขาเรียกมันเป็น The ะเวิรคือสิ่งที่แย่ที่ไม่มีใครอยากจะเจอแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่คนเราหนีไม่พ้นนะแล้วต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลามาวัดเนี่ยนั้นนอกจากการที่จะมารับพรให้เกิดความสุขความเจริญแล้วก็มารับธรรมด้วย โดยเพพาะทำในเรื่องที่ว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนถ้าเราเห็นว่าความไม่แน่นอนเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยถึงเวลาที่เราแก่นะถึงเวลาที่เราเจ็บเราก็รู้ว่าเออมันเป็นธรรมดานะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของชีวิตและธรรมดาของชีวิตไม่ได้มีแค่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือทุกข์เนี่ยก็เป็นธรรมดาของชีวิตนะ พระพุทจ้าตรัสว่าเนี่ยในบทสวมันก็จะบอกว่าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอันนี้คือความจริงที่คนไม่ค่อยอยากจะฟังนะแต่ว่าเราควรจะต้องเปิดใจรับฟังเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้แล้ว เ, เรารู้จักวางใจถูกก็คือเตรียมใจไว้นะเตรียมใจไม่พอเตรียมตัวด้วยนะว่าเออสวรรค์หนึเราจะต้องแก่สวรรค์งเราจะต้องเจ็บต้องป่วยสวรรค์เราต้องพัดภาคสูญเสีย เราก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างน้อยก็มองว่ามันเป็นธรรมดานะความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาความหรือทุกข์มันก็เป็นธรรมดาเหมือนกันถ้าเรายอมรับว่าทุกข์เป็นธรรมดาได้เนี่ยเวลาเราเจ็บเราป่วยเนี่ยเราก็จะอ่ากุม อ, อกกุ้มใจน้อยนะเราสามารถจะรับมือความทุกข์ได้เพราะเรารู้ตั้งแต่แรกเราเตรียมใจตั้งแต่แรกแล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นสักวันใดวันหนึ่งหรือเรายอมรับว่ามันเป็นธรรมดาของชีวิต มีหมอคนหนึ่งเนี่ยวันนึงแกได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมไข้คนหนึ่งแกก็ขอดูประวัติของคนไข้คนนี้เลยแกดูแล้วแกก็หนักใจนะผู้ชายอายุ40่สนะเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่ใบหน้าและเป็นแผลใหญ่มันมันลามมันจัดกินไปถึงทั้งแก้มแล้วก็จมูกแล้วก็ริมฝีปากไปข้างนึงแผลใหญ่มากนะ แน่นอนเนี่ยคนที่เจอมะเร็งชนิด้ต้องปวดมากเลยแต่ที่หมอหนักใจเพราะวมะเร็งชนิดนี้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ทําให้ปวดกายนะแต่ว่าปวดใจด้วยเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้เนี่ยน네ะจะออกไปเจอผู้คนเนี่ยก็ลําบากเพราะว่าถ้าเจอแสงแดดเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยากับประสาทนะที่ทําให้เจ็บปวดมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งชนิดจะต้องเก็บตัวอยู่ในห้อง และห้องนี้ต้องมีม่านคอยพรางแสงเอาไว้แล้วลองนึกภาพว่านะคนที่อยู่ในในในบรรยากาศแบบ น, นั้นเนี่ยเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยนะจิตใจย่อมหดหูนะจะไปเจอคนก็ไม่ได้จะไปเดินเที่ยวพาหมาไปเดินเล่นก็ไม่ได้แล้วคนจะมาหาก็ก็ไม่กล้ามาเพราะว่าคนมาแล้วเจอคนไข้แบบนี้ก็กลัวเห็นแผลใหญ่ในอเมริกาคนที่เป็นมะเร็งชนนี้เนี่ย 25่ส้าเปอร์เซ็นต์่าตัวตายนะหมอแกก็หนักใจเลเพราะถ้าไปเจอคนไข้คนนี้ก็คงจะเจอคนไข้ที่อารมวากอารมณ์เสียงุดหิดนะหรือไม่ก็หดหูซึมเศร้าแต่ปรากฏว่าพอไปพอไปถึงเนี่ยผิดคานะคนไข้นี่อารมณ์ดีทักทายหมอว่าเป็นยังไงหมอสบายดีไหมคือเพียงแค่ทักทาประโยคและที่ทักทายนี่ก็แสดงคนไข้วนนี้เนี่ย เป็นคนใส่ใจผู้อื่นนะถ้าถ้าถามมามาทําไมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะหมอนี่หนักใจแล้วเจ้าคุณชายถามมาทําไมเดี๋ยวคุณชายถามหมอเป็นยังไงสบายดีไหมเออใจชื้นหน่อยหมอเป็นผู้หญิงนะคนไข้ผู้ชายจะ40สกว่าคุยไปคุยมาแล้วแกก็แกแ ก, แก็เล่านะว่าเนี่ยสมัยแกเป็นหนุกเนี่ยแกกินเหล้าเมายาสามเลรเทเมามากนะใช้ชีวิตแบบเสี่ยงแบบเสี่ยงนะพฤติกรรมเสี่ยงเนี่ย นะมีครอบครัวนะก็อย่าร้างกันเพราะเมียอยู่ทนไม่ไหวลูกก็ต้องไปอยู่กับแม่นะชีวี่นี่ไม่มีหลักไม่มีอะไรเลยนะถือแม้เกศเกมขยันทํา ง, า, ง, งานแต่ก็บอกเนะี่ยคงเพรเห็นนี้แหละชีใช้ชีชแบบนี้แหละก็เลยเป็นมะเร็งนะเหมือนกับว่าเออทำใจได้เพราะว่าเราทําตัวของเราเองนะถึงเป็นมะเร็งแบบนี้แต่ว่า น, นี้ไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้แก ร, รู้สึกว่าสงบเย็นนะไม่ ไม่ยึดทุรนทุรายแล้มีเหตุผลเนื้อคือว่าแกบอกว่าเนี่ยว่างๆจะไม่มีอะไรทําอยู่ยที่บ้านแกก็นั่งวาดรูปถ้าไม่ได้ว่าลูกก็ดูโทรทัศน์แล้วช่องที่แกดูคือซีเดูเป็นประจําเลยแล้วเอ็นเอ็เนี่ยมันก็เป็นข่าวนะมันก็มีแต่ข่าวเรื่องแผ่นดินไหวอาทยา ก, กรรมการก่อการร้ายสงครามทุพพิกลภัยความอุจากะหิวหโหยโรคระบาดแกดูไปดูไปแกก็ได้คิดนะเออ คนเรานี่ไม่ว่าจะชาติใดภาษาใดมันทุกทั้งนั้นนะแม้ว่ารวยหรือจนไม่ว่าผิวขาวผิวดำผิเหลืองก็ทุกทั้งนั้นนะเพียงแต่ว่าจะทุกแบบไหนแกดูไปดูแบบแกก็ได้คิดนะเอ๊ะไอความทุกข์ของเรานี่นะมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์นะคือแกเริ่มเห็นว่าความทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ต้องทุกทั้งนั้นแต่ก่อนนี่แกจะคิดว่าโอ้ในฉันโชคร้ายฉันซวยนะทำไมถึงต้องเกิดโลกนี้กับฉัน แต่พอแกมาดูเองแกพบ ว, ว่าโอ้มันทุกข์กันทั้งนั้นเลยแต่ก็เริ่มเห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาโลกเป็นความธรรมดาชีวิตพอเขาเ้าใจแบบนี้นะแกยอมรับได้นะยอมรับไอ้ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ไม่บ่นไม่โวยวายไม่ติดโพยตีภัยและการที่แกยอมรับเนี่ยว่าความทุกข์เป็นธรรมดาความเจ็บป่วยของแกเป็นธรรมดานี่มันทําให้แกเนี่ยทุกข์ใจน้อยลงมันริ่มจากความทุกข์กายไอ้ความทุกข์า ก, กายนี่ พอทนไหวนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทุกใจทนไม่ไหวแต่พอทุกใจมันหายไปเพราะว่ายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยแกก็กลายเป็นคนที่ไม่หงุดหยิดนะไม่เหมือนคนไข้ทั่วไปที่หมอคนนี้เจอนะแกก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ตั้งใจจะอยู่รักษาตัวให้ดีที่สุดนะไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะาอยากจะอยู่ให้นานกว่านี้เพราะว่าจะได้มีเวลาอยู่กับลูกเพราะตอนที่ตัวปกติเนี่ยไม่มีเวลาอยู่กับลูกเลยตอนนี้เนี่ยขออยู่กับลูกให้ได้นานที่สุด หมอกว่วกาแกอยู่ได้36เดือน36เดือนแกอยู่ได้เป็นปีนะช่วงี้แกอยู่เนี่ยแกก็ทรมานแกก็ทุกข์กายแต่ไม่ทรมานใจและตอนที่แกตายเนี่ยแกก็ตายไปสงบอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่เห็นว่าความทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อไม่อมร า, ามทุกขเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยนะก็ทําให้ใจเนี่ยนะปล่อยวางได้นะไม่บน่นไม่ตีโตพดีตาย การที่คนเราเนี่ยตรหนักเรื่องนี้อยู่เสมอเนี่ยมันถือว่าเป็นการเตรียมตัวนะถึงแม้เราจะยังไม่เจอเหตุร้ายอะไรไม่เจอความเจ็บป่วยนะไม่เจอความพลาดเข้าสูญเสียแต่ถ้าเราเผื่อใจไว้อยู่เสมอนะว่าเอออะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้นะนะอะไรอะไรที่ผิดไปจากชีวิตประจําวันของเราสามารถจะเกิดขึ้นได้และบางอย่างต้องเกิดขึ้นแน่นอนเช่นความแก่ความเจ็บความป่วยและสุดท้ายคือความตายนะอันนี้คือสิ่งที่ หมอนเราชวนคุรีว่า the worst สเนี่ยือสิ่งที่แย่ที่สุดแต่ถ้าเราวางใจดูนะวางใจเป็นนะไอเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเป็นเป็น e s t ก็ได้นะเป็น The best ก็ได้พอหลายคนเนี่ยพอเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยสุดท้ายก็บอกว่าในโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งะมะเร็งซึ่ง ใ, ใครๆมอเป็นเรื่องที่เลวร้วายเนี่ย เขากลับมองว่าเป็นของดีณนใะนที่สุดพ่อทำให้เขาได้มาพบธรรมะทาให้ได้มาเห็นว่าเนี่ยคือพอกลัวตายเนี่ยก็ทําให้หันมาสนใจธรรมากก็สนใจธรรมากก็พบกับความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนคือความสุขจากสมาธิความสุขทางใจที่ปล่อยวางก็เลยบอกขอบคุณที่เป็นมะเร็งหรืออย่างดี อาจารย์คนนึงเป็นครูคนนึงเนี่ยชื่ออาจารย์กำพลทองบุญรุ่งเนเป็นมะเร็งตั้งเป็นเป็นพิการตั้งแต่คอลงมาเมื่ออายุ24่่ป่านี้ก็พิการมาได้30กว่าปีแล้วสิบปีแรกนี่ทรมานมากทุกข์มากนะแต่ตอนหลังเนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยได้เจริญสติพลิกมือไปที่มือมาเดินจงกมไม่ได้นะตามลมหายใจก็ไม่สะดวกนะได้แต่พลิกมือไปที่มือมาเจริญสติไปด้วย ตอนหลังเนี่ยก็ปรากฏว่าพบความจริงว่าไอ้ที่ตัวเองพิการเนี่ยพิการแต่กายใจไม่พิการด้วยจิตก็หล่อจากความทุกข์เลยพอจิตออกจากความทุกข์จกกใจสบายไอ้ความลําบากที่เหลือเป็นเรื่องกายใจไม่เป็นไรละตอลังอาจารย์กําพื่อบอกว่าเนี่ยขอบคุณความทุกข์นะเพราะความทุกข์เนี่ยทำให้รู้จกักทุกข์และเมื่ อ, อรู้จกักทุกข์ก็ทําให้เห็นทางออกจากทุกข์ คือทุกเนี่ยทุกพอใจที่ยึดพอใจมันวางนะมันก็สบายเพราะ น, นั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่า the worst เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยความพัดพรางเนี่ยซึ่งปกติธรรมดาเราไม่อยากให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนให้กลายเป็น the best ได้นะในสมัยพุทธกาลมีพระหลายลูกที่ท่านบรรลุธรรมได้เพราะว่า เจอไอ้ความเจ็บป่วยที่รุนแรงเจอความพัดพรา่านะที่เกิดทาให้เป็นบ้าบางท่านถูกเสือกัดในะขณะที่ทุดงบางท่านถูกไฟครอกแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยนะกลับกลายเป็นเหตุให้ท่านเนี่ยได้เห็นธรรมะในะขณะที่เกิดทุกขเวทนาเนี่ยท่านก็ได้เห็นพิจารณาธรรมจงกระทั่งจิตใจปล่อยวาง บรรุธรรมเป็นพระโสะดาบนันบ้างบรรุธรรมเป็นพระนาคามีบ้างบรรุธรรมเป็นพระอาหารหันต์บ้างอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะเป็น the worst กลายเป็น the best นะเพราะนั่นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอนะถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่เตรียมใจเลยก็แปลว่าเราอยู่อย่างประมาทนะถ้าเราอยู่อย่างประมาทนี่ก็เหมือนกับว่าเราเอาเท้าหญ่เข้าไปในในนรกครึ่งหนึ่งนะ นรกในที่นี้ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงนรกที่อยู่ใต้ดินนะแต่หมายถึงว่าความทุกข์ใจนะเพราะว่าพอมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นรถหายโทรศัพท์หายหรือว่าถูกโกงหรือว่าคนรักทิ้งหนีจากไปหรือตายจากไปเนี่ยนะก็จะรู้สึกเหมือนกับชีวิตไร้ค่าอยากจะตายก็มีอันนี้เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากเพราะไม่เตรียมตัวนะ ไม่คิดที่จะ prepare for the worst นะเรียกว่า hope for the best อย่างเดียวนะไปวัดก็หวังว่าจะเกิดสิ่งดีๆกับตัวแต่พอพระพูดเรื่องอันนี้จังทุกข์ทางอัตตาก็ไม่อยากฟังพาพพูดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็เอามือหูนะอันนี้ก็เท่ากับว่าปิดโอกาสที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ในการเตรียมตัวเตรียมใจนะก็ฝากเอาไว้นะเพราะว่าพวกเรานะ ก็อยู่ในอยู่ในวัยที่อะไรๆก็สามารถจะเกิดขึ้นได้นะโดยเพราะความเจ็บความป่วยนะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอนะหรือแม้เราต้องเจอความพัดพลาดแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเปลี่ยนเราให้กลายเป็นดีได้นะใช้แต่การเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกใจให้ปล่อยให้วางและปล่อยวางเมื่อหลายใจก็เป็นสุขเมันนั้นนะ อาแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะที่พวกเราทั้งทั้งญาติเก่าๆแล้วก็มิสหายเก่าๆรวมทั้งที่ใหม่ๆด้วยนะแล้วก็รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังนะอ่าได้มาร่วมการทําบุญนะในวันนี้นะก็ถือว่ามีโอกได้เปโอกาสได้มาทําระโยชนให้กับส่วนรวมได้มาฟังธรรมแล้วก็ได้มีกาสพบปะ ก, กันนะเป็นการเสริมสร้งางพิธภาทได้ความสามาัคคีแน่นแฟ้นนะนะก็ขอ สุด ท, ท้ายนี้ขออ้างคุณพระิรรัตน์สิริรัตนนตรยัอนนอยอนวยอวยพรให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวันนาสุขาภละขอให้มีกำลังความเพียรกำลังปัญญาในการทำความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลภาวนาเพื่อยกจิตใจให้มีความสุขมีความสงบเย็นรวมทั้งมีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสงสาร มีพระดิาพานเปที่หมายด้วยวกันทุกคนเทอ